ب i s m ล l l a h i r r a h m a n i r r a h i m الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ل حول ولا قوة إلا بالله العلي ن ظ م م ا ب س ل م عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณสติความจริ่ใจอุลลาะ سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดุรรีลาพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องยังให้เกียรติติดตามรับชมรายการวิทยุเสียงอิสลาม ยีี่ชั่วโมงนะครับทุกท่านเลยนะครับคำตุรีล่านะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ม า, าทบทวนแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าคุณอ่านที่เราศรัท ธ, ธาหรือเป็นหนึ่งในรุกุ่นอีมานั้นนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับที่เราพยายามบอกแล้วก็เน้นย้าให้เห็นนะครับว่ากุณอ่านคือธรรมนูญกุณอ่านคือทางรอดและกุณอ่านคือทางนําของมูลมนุษยชาตินะครับนี่คือ3หลักหรือ3สิ่งที่ทําให้เราได้ เล็งเห็นถึงว่าไม่ว่าจะข้อใดก็แล้วแต่นะครับเราทิ้งกุรอานไม่ได้เราปล่อยปะและเลยคุรานไม่ได้นะครับเราจะปล่อยให้กุรานอยู่ในตู้ในหิ่งนะเป็นเวลาหลายๆปีแรมปีอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่เราต้องนํามาเพื่อที่จะม า, าใช้ให้หรือนํานํามาให้กุรานนั่นอยู่ในระบบการดําเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการท่องจําการฝึกอ่านนะครับการรู้ความหมายการอ่านความหมายและการรู้ พระเล่กในยะของโรุรอ่านทั้งหมดนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งนะครับผู้ศรัทธาทุกคนควรจะต้องปฏิบัติเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ยกเว้นว่าเขาคือ ใ, ค, อใครนะครับเพราะว่าในย4ชั่วโมงของเราพี่น้องครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเรามีทุกเรื่องนะครับในการใช้ชีวิตแต่มันน่าเสียดายครับว่าไม่มีสักช่วงเซี่ยววินาทีหรือเซี่ยว เ, เวลานะครับที่เราจะได้ใช้ชใช้คุรอ่านให้ อยู่ในระบบการดำเนินช of in anyway ีวิตของเราได้นะครับก็สิ่งที่เราทุกคนควรจะต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับครับพี่น้องครับกลับมาในสุรนะครับอัลกอัสเรายังอยู่ในสุรอัลกออสอยู่นะครับวันนี้ต่อเนื่องนะครับในอายะที่35นะครับถ้าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอ์สุภาโนตาลาได้บอกถึงเรื่องของการสนทนาการพูดคุยนะที่ท่านนบีมูซ่าลัยสลามนะครับ ถูกได้สั่งใช้ในการที่จะเดินหน้าให้มุ่งหน้าสู่เฟรด์หมายถึงอียิปต์เพื่อไปเผชิญหน้ากับเฟรดเอา์แต่แล้วท่านอับดุลมุสลาจึงได้ขอแรงหนุนนะครับนั่นก็คือพี่ชายที่จะได้เป็นแรงสนับสนุนหรือผู้ที่เป็นตัวแทนในการที่จะได้บอกกล่าวในภาษาหรือในคําพูดที่ชัดเจนขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งเพราะเมื่อพูดแล้วอาจจะฟัง ไม่ค่อยชัดเจนนักก็จะมีเกิดการอาการที่บิดผิว ห, หรือหรือแม้กระทั่งใช้วาจาที่คล้ายๆหรือภาษาที่คล้ายๆกันเพื่อบิดเบือนความเท็จจริงนะครับจึงต้องออขอนะแรงสนับสนุนและเราก็อนุมัตินะครับแล้วก็ได้บอกว่ากลาสันชุนซูอาดูรากบิอัคิกะนะเขาบอกว่าพระองค์ได้ตรัสนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพระองค์จะได้ให้ความเข้มแข็งนะครับที่ พี่ชายหมายถึงท่านนาบีฮารูนนะให้มีความเข้าใจได้มีความมั่นใจนะแล้วก็ไม่ไม่ว่านาบีมูซาพูดนะครับจะจะด้วยกับภาษาที่อาจจะไม่ค่อยชัดแต่อย่างไรแต่ทําให้นบีมูานาบีฮารูนนะครับพี่ชายนั้นได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นผู้ที่สื่อสารนะอย่างชัดเจนให้กับเฟร์เอรอาหรือคนที่จะได้ได้รับฟังนะครับ <S <s วันนั้นยาฮรูนและกุมาสุนตอนั้น นะยังไม่พอแค่นั้นองค์อัลลอฮสุตระก้อนย์บอกว่าและฉันจะได้ให้ท่านนะั้นมีอำนาจมีพลังนะมีขลักมีศักยภาพนะไม่ว่าใครเห็นก็จะเก่งขามนะครับท่านทั้งสองหมายถึงท่านนาบีมูซาและนบีฮารูนฟละลายซิลูนาอีไลกูมาบิอายาตินะนะไม่มีใครที่จะเอาชนะ หรือครอบนําท่านทั้งสองได้หมายถึงนบีฮารูุและนบีมูซา์และนบีฮารุได้นะครับไม่มีนะครับด้วยกับสัญญาณาาต่างๆของขอ ง, ของเราคือของ ana, ล็อกซุพานอวตารานะครับนี่คือนี่คือการยืนยันนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้ให้กำลังใจนบีมูซาร์แล้วก็นบีฮารูนะครับที่จะได้บอกว่ า, าพี่น้องครับอย่าลืมว่าการเผชิญหน้าไม่ใช่กับแค่หัวหน้าเผ่าการเผชิญหน้าไม่ใช่กับผู้นําชุมชนแต่การเผชิญหน้ากับ ใค ร, ครับกับกษัตริย์ที่อาหังกาที่มีทั้งพลพักมีทั้งอำนาจามีทั้งเรื่องของอทุกอย่างนะครับการเงินการปกครองบุคลากร อ, าอิทธิพลนะแล้วก็อาวุธทุกอย่างครบเลย ที่วันนี้เราแยกแยะ ก, กันไปใช่ไหมคนนี้มีเรื่องของฟองพ้ตรงนี้มีเรื่องของอํานาจเงินอา น, นี้แต่ทั้งหมดที่มีเป็นอํานาจในการบริหารจัดการในการนี้อยู่ที่เฟิร์เอา์เลยนะครับทั้งเงินทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณนะ์ทั้งเรื่องของพลพักนะทั้งเรื่องของขลังจิตวิญญาณน่ยนะการพูดและคนเชื่อเนี่ยมีหมดเลยนะครับดังนั้นการที่จะไ ป, ปะเผชิญหน้ากับ ศัตรูอย่างนี้และคนที่อาหาังการอย่างนี้นั้นนะครับแน่นอนอย่างยิ่งนะครับก็ตึงกำลังใจต้องมาก่อนนะฮะกลังใจต้องมาก่อนและนี่คือกำลังใจนะที่อัลลอฮสุบฮานหูตลาให้กับท่านนาบีมูซ่าอิสละนั่นก็คือให้พี่ชายมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญนะครับมีความเด็ดเดี่ยวนะครับแล้วก็ยังได้บอกว่าได้ให้ภาพลักษณ์ที่ดู น่าเกงขามของทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ไม่ต่บอกด้วยว่าไม่มีไม่มีใครที่จะมาครอบนำนะทั้งสองได้นะครับด้วยองค์การต่างๆของอัลลอสุบฮานุตลานะครับแล้วก็ได้ยืนยันนะครับว่าอันตุมาวามนิตตาบะอุมันกรีบูนเป็นการยืนยันที่บอกว่าท่านทั้งสองและใครก็ตามที่ยอมรับและปฏิบัติตามท่านทั้งสองนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นว่า อัลลอฮฺสุบานอตาลาเวลาบอกด้วยกันเขาเรียกว่ายืนยันนะแต่สิ่งนี้ยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดแต่บอกว่าอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นด้วยความเชื่อมั่นด้วยความมั่นใจนะครับในการศรัทธานี่นะครับจึงไม่มีข้อแม้ใดๆหรือจะไม่ข้อสงสัยว่าจะได้ยังไงจะเป็นยังไงฉันไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะนะทุกวันนี้ที่เราจะเห็นนะครับเวลาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบานอตาลา ให้เราได้เป็นปฏิบัตินะครับเราก็จะมีข้อกลางขาเราจะมีเหตุผลเราจะมีข้ออ้างต่างๆเกิดขึ้นนะครับจะทําได้ยังไงไม่มีต้นทุนจะทำได้ยังไงไม่มีใครรู้จักจะทําได้ไงอ่ามันไม่มีความสามารถเนี่ยแหละครับทั้งหมดเหล่านี้เนะี่ยมันก็เป็นข้อที่ก็ตัวใหญ่แต่อายะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาบอกกัมนบีมูซ่าในสลัมนะครับอย่าลืมนะครับยังไม่ได้ชนะและใครที่จ ะ, ะเชื่อบ้างยังไม่มี เพราะอันนี้บอกกับ น, นบีมูซาว่าท่านท่านทั้งสองหมายถึงท่านและพี่ชายนี่นะนะคือนบีมูซ่ากับนบีฮารูเนี่ยนะครับจะได้รับชัยชนะและคนที่เชื่อด้วยนะคนที่เชื่อและคนที่ฟังคนที่ศรัทธาตามเนี่ยก็จะได้รับชัยชนะนะครับบอกภาพไม่ออกเลยนะครับกับสองมือไม่มีอาวุธนะครับนะสี่มือไม่มีอาวุธเดินไปเปล่าๆอย่างเงี้ยซึ่งจะไปไงครับไปบอกนะฮะไปชี้แจง ไปให้หรือไปเจรจานะให้น้อมรับยอมรับในในสิ่งที่มันเป็นความจริงหรือในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้เคยคิดผิดเข้าใจผิดนะเรียกว่าไปสอนแล้วกันไปบอกให้รู้นะมันก็ต้องใช้ความกล้าพอสมควรนะครับเราอยู่ๆจะไปแล้วก็จะตาก็หลึกหลักหลึกหลักกลักวนะครับขาก็ไม่อยากจะเดินก้าวไปเพราะว่า รอบข้างไม่ใช่แค่ข้างหนา้าข้างหลังรอบเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างทั้งหมดศัตรูพร้อมที่จะทําร้ายพร้อมที่จะสังหารนะครับคนที่คิดต่างหรือคนที่ต่อต้านได้ทุกเมื่อโดยไม่มีคําว่าปราณีดังั้นสิ่งเหล่านี้จึงจึงจึงเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้นะครับว่าท่านนบีมูซาอลิสลามและนบีฮารูนเมื่ออัลลอฮ์ซุพฮานตุลาได้บอกว่าวานาญะอาลูลักุมาซุนต้นันฟะลายะซิลูนะอิไลกุมะ บายาตินานะครับเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ได้ได้ได้ประจักษ์นะครับว่าเมื่อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เอาล็อกสุภาณหัวตะลาได้บอกไวนะ้ได้บอกไว้นะจะด้วยสิ่งที่มันมัน มันเป็นหรือมันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มนันไกลที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะได้บอกได้วันนี้เช่นในวันกทียมะนะครับนั้นเมื่ออะไรที่บอกไว้มันเกิดขึ้นแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้อย่างนี้แน่นอนนะครับตัวอย่างที่นี่นะ บ, บิโมซาได้บอกไว้ว่าท่านและท่านทั้งสองและผู้ที่ปฏิบัติตามทั้งหมดจะได้รับชัยชนะนะครับต่อมาครับการเดินหน้าหรือการที่จะได้ไปเผชิญหน้านะมันก็ต้องปเป็นไปตามสเต็ป นะแต่ต้องทำนะไม่ใช่นอนอยู่ถ้าได้รับชัยชนะแล้วก็นอนเฉยเยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนะี่ยอย่างทีเ่เราเข้าใจกันดีว่าริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ถูกไหมครับเป็นผู้ให้ดังนั้นเราคิดว่าเราก็อยู่เฉยเฉยไม่ต้องทำลายเพราะริสกีอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะไม่ใชนะ่เราต้องไปแสวงหาเราต้องไปพยายามนะครับในอายะคุรานก็บอกชัดเจนนะครับบอกว่าเมื่อนามาดเสร็จแล้วความหมายคือเมื่ออิบาดาเสร็จแล้วเมื่อ ทำตามคาสั่งใช้ของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วฟันตาชิโรฟิลออร์ดิวอปเตวูมินฟอร์ซิลลาให้กระจายบนใบหน้าแผ่นดินนี้แยกย้ายกันไปนะครับธรรมะกินไปสแสวงหาปัจจัยสแสวงหาฤกษ์ีของอัลลอฮ์ตามสกิยภาพตามที่เราได้มีการปฏิบัติเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าต้องทําและผลลัพธ์จะมีครับผลลัพธ์ก็จะได้มาตามที่ที่พระองค์ได้กําหนดเอาไว้เช่นเดียวกันอันนี้นะครับเมื่อพระองค์กําหนดว่าได้รับชัยชนะ ไม่ใช่เดินไปเฉยทำไงก็ได้เดี๋ยวก็ชนะเองเปล่าเลยครับไปวางแผนเจรจาพูดคุยยืนยัด น, นะครับถึงแม้ว่าความดุดันของเฟรอเอาการอาหารกาของเฟรอเอมันอาจจะทำให้หัวใจเล็กๆที่มันมันเขาเรียกมีความหวาดกลัวในอดีตนะแต่ด้วยกับการยืนยันที่ว่าลอดจะช่วยเหลือและไม่มีใครสามารถที่จะมา มาเอาชนะได้หรือมาครอบนําได้นี่นะครับจึงให้มีความคระแลดฮึกเถิมและมีความกล้าและมีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อีกหลายๆคนนั้นยอมรับว่าความกล้าหาญของนบีมูซานะครับความเด็ดเดี่ยวของนบีมูซานะฮะการที่ไม่เกรงกลัวต่ออํานาจไม่เกรงกลัวต่อบารมีไม่เกรงรรกลัวต่อสิ่งที่เฟรเอาเคยสร้างมาตลอดนะครับซึ่งผิดกันตอนที่ ที่ได้หลบหนีไปไปเมืองมัดยันเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันดังนั้นวันนี้กลับมาอีกรูปหนึ่งกลับมาอีกอีกภาพหนึ่งที่ทุกคนนะบีอิสราเอลหรือแม้กระทั่งทหารของเฟรอลแล้วก็คนของเฟร์เอลเองก็เห็นถึงความเขาเกเด็ดเดียวความกล้าหาญนะครับการเป็นขเขเรียกว่าการเป็นผู้นำนเกิดขึ้น ในตัวของนบีมูซานะครับแต่แน่นอนอย่างยิ่งครับเพราะหลายๆคนที่นั่นก็คือกลัวว่าเอ่อฟิฟเอาจะทําร้ายจะทรมานก็กลัวนะฮะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงได้เห็นนะฮะในที่ท่านนาบีมูซาอันอิสลามนั้นได้ไปบอกและก็ไปกล่าวนะครับอายะห์ถัดไปนะครับอัลลอฮ์ซุบฮัตละได้บอกให้เราทั้งหลายได้ได้ทราบว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อนะครับว่าฟัาล ม, มาะจอูมูซาฟัลมาะจาอมาาุ ม, ม, าาอมูซา เมื่อนบีมูซ่าได้มายังมาถึงพวกเขามาถึงเฟรตเอาและทหารและฮามานและบริวานของเฟรตเอาพูดง่ายว่าเป็นการพูดคุยเป็นการยังไม่มีการาขาลังเหมือนกับท้าทาย <c oughs> หรืออะไรแต่อย่างใดเป็นการขอเจรจาเป็นการขอเจรจาเป็นการขอพบเพื่อบอกในเรื่องของสิ่งที่ควรจะปฏิบัติควรจะศรัทธา ควรจะเชื่อนะครับเพราะนบิบูซาคือใครครับก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เฟร์เอล์ข้าวของเฟร์เอ์ on. ได้เก็บมานะจากแม่น้ําที่ลอยมาเก็บมาแล้วก็มาทดสอบอะไรหากลายุทธ์ต่างๆเพราะตอนนั้นกลัวนะนะพูดง่ายว่ารู้จักมักคุณนะครับว่านาบีมูซาคือใครเป็นอย่างไร ครับดังนั้นไม่แปลกที่จะขอข้อพบและเจรจาเนะี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเ่ฟลมาเจอะฮุมมูซาบิอายัินาบา ย, ยีนาตินเมื่อดะบิมูซาอัลฮิสลามได้มาหาพวกเขานะครับแล้วก็ได้มาพูดเจรจาพูดคุยเสนอแนะในองค์การต่างๆอย่างชัดเจนอย่างละเอียดนบิอายัตินบัยีนาตินก็คือมาแล้วก็มาอธิบายไม่ถิงมาถึงก็ ทําอะไรที่ลบหลูเปล่าเลยนะครับด้วยอัคลาของบรรดาหรห่าซูลทั้งหลายนั้นมีแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีการปฏิเสธอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่มาแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันมาแบบหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่อหังกาผู้ที่เคยนะผู้ที่เคยเสร้างความหรือผู้ที่เคยเ อ, อ, อธรรมในอดีตนะหวังว่าเขาจะได้กลับตัวกลับใจหวังว่าสิ่งที่ นํามาบอกนะั่นองค์การต่าง ๆ, ๆที่นํามาบอกสัญญาณต่าง ๆ, ๆที่นํามาบอกนั้นจะได้มีความเข้าใจในบริบทนะของอความสามารถหรือการปฏิบัติถ้ามากแม้ว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะลาสีนะคงไม่เกิดนะโมจิซัตต่างๆคงไม่มีนะครับเด็กคนหนึ่งเกิดจากอย่างไรเติบโตอย่างไรและหายไปอย่างไรแล้ววันนี้กลับมาอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยรวนแล้วแต่ เป็นข้อคิดให้รู้ว่านี่คือสัจธรรมนี่คือความเป็นจริงอย่างแน่นอนดังนั้นคนนี้หมายถึงนับิบิลุสานิสสามนะครับพูดอะไรควรจะต้องตรหนักนะครับไม่ควรที่จะบิดผิวและไม่ควรที่อาหารกาใส่นะครับต่อมาครับเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมครับนี่ดูความอาหารกาที่เกิดขึ้นนะครับลก็ไม่ยอมคิดไตรตรองเลยครัว่านบิบูลุสาก็คือใครล่ะครับคนคุ้นเคย เรียกว่าเคยเรียกเป็นลูก mm. เคยเรียกเป็นคนอยู่ในครอบครัว mm. เคยคิดจะได้ว่าเป็นบุคคลที่อาจจะไม่มาสืบทอดในเรื่องของอบัลลังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ น, นะครับแต่วันนี้ทำไมนะทำไมถึงไม่คิดในคำพูดหรือในในสิ่งต่างๆที่เห็นจากคนที่คุณเคยมานะครับแต่ตรงกันข้ามครับกอลูมาฮาดาอิลเลเซฮลมมุฟตารอนี่คือการใส่ร้ายและการบูลลี่อย่างคล้ายด้อยค่า ด้วยค่าการกระทําด้วยค่าสิ่งที่นบีมูซานํามาบอกเขากล่าวว่าอะไรครับพวกเขากะพังกล่าวว่ามาหนี่คืออะไรที่นําเนินนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ท่าไม่ว่าจะเป็นมือที่สอดไปแล้วออกมาแล้วก็เกิดแสงสว่างรัศมีหรือมือนี่เขาด้วยกับความบริสุทธิ์นะฮะไม่ใช่โรคภยัยแค่เจ็บแต่อย่างใดพวกเขาจึงกล่าวว่าไม่มีอะไรแล้วครับ นอกจากการใส่ร้ายหรือบูลลี่หรือทําให้มันตกต่ําหรือทําให้มันเพูดในเชิงลบเพื่อจะให้ทุกๆคนดูถูกเหยียดหยามนะครับกอลูมาฮาดอิลลาเซรุมมุฟตรอเนี่ยมันคืออะไรกันที่ท่านกาลังเสนอให้กับเราที่ท่านนามาบอกเราที่ท่านนามาล้วนแล้วแต่แล้วหมดนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อใหม่ไม่มีความสําคัญใดนอกเสียจากนี่คือประเด็น น, ะนอกเสียจากนี่เป็น เวทมนต์คาถาเห็นไหมครับเพราะเนื่องจากในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของอะไรก็แล้วแต่คืออะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่โดยปกตินะไม้เท้าโยนลงไปนะครับคนก็เห็นว่าเป็นงูนะครับมือเห็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเมื่อสอดเข้าไปว่าระดึงออกมาก็เกิดเป็นแสงสีขาวเป็นรัศมีก็คิดว่านี่คือเป็นมายากลนะหลอกตาคนตกตาคน นะครับคนธรรมดาหรือคนที่ไม่รู้อิ น, อนูอินิก็ก็จะรู้สึกว่านี่คือมหัศจรรย์นี่คือของอพิเศษหรือวิเศษนะครับนั่นก็คื อ, อความเข้าใจนะครับความเข้าใจเขาจึงใช้ทั้งทั้งที่เขารู้อยู่นะครับทั้งทั้งทีง่เขาเรียกว่าโดยที่เห็นมานะครับโดยที่เขาเป็นที่ประจักษ์นะงูจะมาได้ก็จะพวกนักเวทบนคาถานะและก็ต้องจากอะไรครับ จากสิ่งที่เขาทํามาด้วยนะมันแค่หยิบหยิบอะไรมาก็ทําได้ไม่ใช่นะครับจากเชือกที่พวกเขาทั้งหลายมีการาทําเพื่อให้มาหลอกตัวหลอกหลอ ก, หลอกสายตาของคนนะครับนั่นก็คือแต่นี่นบีมูซาก็คือไม้ปกติที่ไม่มีใครคิดว่านี่คือสิ่งที่เมื่อนบีมูซาโยนลงไปแล้วมันจะกลายเป็นงูมือปกติไม่ได้มีการทักก็มือปกติอย่างนี้ที่เห็นที่ยกมือสล า, ามที่เจอกันแบบนี้เลยแต่ครั้งที่เอาไปสอดค่ะ ใต้ระหว่างรักแร้เวลายกขึ้นมามันกลายเป็นรัศมีเป็นกาศสีขาบทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันเป็นอะไรที่เขาก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่ทำให้ได้แต่ต้องการกลบเคลื่อนความจริงจึงได้บอกว่านี่คือการมายากลนี่คือการเล่นขลังคาถาอาคมนะครับก็เป็นการใส่ร้ายหัวมาซามีอานาบิฮะนี่อีกหนึ่งคำพูดพี่น้องครับนี่อีกหนึ่งคพูดที่ทาให้ใครที่ได้ยินต้องยอมรับ โดยธรรมชาติ <c oughs> เขาเรียกยอมรับโดยปริยายว่ามาว่ามาเซเมณะบิฮาดาฟีอาบาอินันอวารีนเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าที่เมืองมัดยันเนี่ยพะสืบข่าวมาว่านามีมูซาไปอยู่เมืองมัดยันว่าเมืองมัดยันจะมีวิชาอาคมหรือวิชาแก่งกล้าในการที่สอนเรื่องของเวทมนต์คาถาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเป็นไปได้ไงไปอยู่ที่นั่นมาสิบจะรู้วิชาการแบบนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ให้รู้ว่า พวกเขาทั้งหลายรับและก็พยายามสร้างว า, กย า, ยาทกรรมประยังข้าคำพูดที่จะทําให้นบีมูซาดิสเครดิตนบีมูซาและนบีฮะรุนดิสเครดิตดิสเครดิตในสิ่งที่นบีมูซานํามาเสนอจึงใช้ลุกวัฒทุกคําพูดนะครับที่จะทําให้นบีมูซาดูตกต่าดูไม่มีค่าและดูไม่มีความหมายในการที่จะเผยแพร่ศาสนาคําพูดนี้นะครับเป็นคําพูดที่เราจะได้ยิน บ่อยๆครั้งของบรรดาโรซูลทั้งหลายนะที่ประชาชนเมื่อไม่เชื่อแล้วก็จะใช่วาทะคําพูดดูหมิ่นเหยียดยามและบุดีเพื่อให้รู้ว่าคําพูดและคําสอนของบรรดาโรซุนทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรนะครับที่บอกว่าวามาสเมนาบิฮาัดาฟีอาบาอินันอววารีนรุ่นก่อนๆไม่เห็นมีใครรู้เรื่องเลยว่าเมือง น, นี้ประเทศนี้กลุ่มชนนี้จะมีวิชาการแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ สื่อให้เห็นนะเขายังไงก็ไม่ยอมรับนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรพี่น้องติดตามนะครับเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มีข้อคิดจากอัลกุรอานเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป السلام ม ل ي ك م ورحمة الله و ب ر ك ا